พรมยาจนากถาว่าด้วยพรมอรัธนาให้ทรงแสดงธรรมเรื่องทรงพิจารณาความลึกซึ้งแห่งปฏิจจสมุปบาทข้อ 7. ครั้นล่วงเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิแล้วเสด็จจากควงต้นราชาตนะไปอย่างต้นอชะปาลนิโครธทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณควงต้นอชะปาลนิโครธนั้นคราเมื่อทรงหลีกรัน้น อยู่ในที่ส ง, งัดทรงเกิดความดำริขึ้นในพระไทยวาธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรกกะละเอียดบันดิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมู่ประชาผู้รื่นลมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปจิยตาหลักปฏิจจสมบท ถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักเปล่าคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาวิราคะนิโรดนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแกเราจะพึงเป็นความลาบากเปล่าแกเราอันหนึง่ง อนัตชริยคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏจำแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคว่า